นี่ปาโรธทำกันต่อไปในอนาคตถึงเนี่ยและและวันนี้คุณหมอก็มาด้วยน้าปานีมานี่ไหมนั่นนั่นนั่นน้าปานีน้าปานีมาแล้วเนีย่ยเป็นคุณหมอเหมือนกันก็นนกคออคออนะ็คุณหมอใหญ่ก็มาวันนี้บอกให้คอยอยู่ที่ใต้ถุนน่ะคอยอยู่ที่ใต้ถุนไว้เนี่ยนั่นคุณหมอใหญ่ก็มาวันนี้นี่อันนี้คุณหมอปา น, นีมาฟัง ที่เอ้าให้อ่านก็หวังเพื่อว่าจะได้รู้จักว่าเกตนาพระองค์นี้บวชเพื่ออะไรนั่นถูกไหมมันลบกันหมดเนี่ยบวเรื่องชีวิตหรือบวชบวชเรื่องข้นทุกข์จริงก็จะสอนแสดงให้เห็นกันในวันนี้อนั่นไม่ต้องเท็จมากก็ได้นะถูกไหมทีนี้จะให้เท็จอะไรนี่พวกเรียนถึงแปดประโยคก็ประโยคแล้วก็มีนี่นี่แปดประโยคก็ประโยคแล้วก็ดี มหาเยอะแยะจะเทศเรื่องมหาเท่ก่อนมหาโมกขลามหาสารีบุตรมหาจุนทะมหากัตปะมหาอานน์เหล่านี้เป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นพระมหาที่ไม่มีกิเลทที่จะกล่าวเลี้ยงหลวงพ่อเช่งหลวงพ่อศิท ธ, ธะหลวงพ่อ กษตปะอ่ามา้าอ๋หลวงพ่อมหากษัตริหลวงพ่อพระยศะหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อเหล่านั้นเป็นหลวงพ่อพาาระรหันหลวงแม่ที่นี่หลวงแม่นางประตาจารานางอุบลวันนานางพัฒกาปิรานีนางกุณฑลเกสีเป็นต้นเหล่านี้น้าประชาชนดีเป็นต้นเหล่านี้ เป็นหลวงแม่เป็นพระอหันแต่พวกเราเป็นอะไรทุกวันนี้นี่ก็หลวงพ่อเหมือนกันเนี่มาบวชนี่ก็มาหาเหมือนกันเป็นมหาอะไรหลวงพ่ออะไรพวกเราต้องตรวจ ด, ดูของพวกเราอีกที่นี่ด้านขาาา้าราอเที่นี่นางวิักห า, าเป็นสุปฏิปนโนเป็นต้นก็นางมีหลายนางนางอุตมานางอะไรมีมากที่เป็นพระสวัสดาวัน แต่วพวกเราเป็นอะไรบ้าอันนี้ก็ต้องเทียบนี่ต่างคนก็ต่างตรวจ ด, ดูตนที่นี่ท่านรบรมชาติชาญสั่งสอนฆราวาสกับพระภิกษุสงฆ์สั่งสอนอย่างไรบ้างสั่งสอนฝ่ายฆราวาส ด, ด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา ด้วยโมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมชสถานหนักฆาวาสหน้าที่ของฆราวาสหน้าที่ของ พ, พระภิกษุสามเณรที่นี่หนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ถ้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมบอกทางสวนให้นั่นทางพระพุทธศาสนาสอนวดัดสิ่งไหนที่พระบรมศาสด า, าไม่ได้สอนไม่มีบันทิดันทิดโตคลมาวาสังบันทิดเป็นผู้ครองเรือนบันทิดก็คือพระสสดาบันเรานี่เองนั่นนั่นนั่นเรื่เราเป็นพระสสดาบันหรือเป็นพระสสดินันต่างคนก็ต่างพิจารณาตนเองดูดูพระเสมือนกันยงเหมือนกัน น, กนั่นนั่นนั่นัน่ น, น, น นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พู ด, พดไม่ได้นั่นออกนอกเอา้าคำสอนใดๆในใจโรกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาบทถ้าเราหากเข้าใจว่าคําสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคําสอ น, นพระพุทธศาสนาบทอย่างนี้การเคารบพระพุทธศาสนามันก็ไม่ลําบากที่มันลําบากอยู่นี่ก็เพราะเหตุว่ากล่าตูวพระพุทธศาสนาว่า คำสอนไม่เท่าโลกก็เขินมนุษย์สมบัติมีแล้วพระพุทธศาสนาสอนที่ปฏิบัติทั้งเล่มเป็นมนุษย์สมบัติถ้าล exactly so ่วงละเว้นอันนั้นเป็นมนุษย์วิบัติถูกไหมนั่นพระพุทธศาสนาสอนขั้นตอนในมนุษย์เสียก่อนมนุษย์สมบัติเสือก่อนมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติแล้วก็พรมสมบัติแล้วก็ภายในพานสมบัติถ้าคัดต่อมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์คัดต่อสวรรค์สมบัติก็คัดต่อพรมสมบัติ ก็ขอคัดต่อพระนิพพานสมวัฒนเหมือนกันนั่นอยังมุกตแต่ละอย่างละอย่างมุกขะมุกขะแปลว่าเชีพหายอยู่ซึ่งว่าซึ่งฝากไม่ได้หมายแต่การพนั้นที่พิบัติวัดทั้งเล่มเป็นภูมิของพระเสราวันทั้งนั้นนั่นนั่นนั่น น, น, น, นพวกเราสงสัยในการปกครองกันจะปกครองกันอย่างไดพระพุทธศาสนาบอกแล้วทําเป็นโกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะพาะครองโลกได้คือให้ิความละอายต่อบาปอัตตะปะความเสกรุ้งกลัวต่อบาปถ้าทำสองประการไม่มีอยู่ในคิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วกฏหมายกฏหมู่กฏพักกฏพวกมันก็ตั้งไม่อยู่อูของทํามไม่นาคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิ ง, พงอาัยทําความชั่วในที่แก้งไว้ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นถ้ามันล่วงละเมิดอันนี้แล้วมันก็ไปล่วงละเมิดชิ้นห้าเออกันกัน ถ้าโลกนะบว่าสิ้นห้าก็อาบายจะมุกเหมือนกันนั่นนั่นนนน่นถ้าชาวโลกมีสิ้นห้าบริบูรณ์มีความละอายต่อบาบมีความกลัวต่อบาบแล้วทหารจะมีไว้ทาไมตำรวจจะมีไว้ทำไมเออขายของจะเฝ้าทำไมไม่ต้องเฝ้าเพราะมีสิ้นห้าบริบูรณ์นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนไหนนั่นอยู่ที่ใจของมนุษย์และเทวดามารพรมน่ คำสอนในพุทธศาสะนาสอนทั้งมนุษย์สมวัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งโพรหมสมวัติทั้งนิพพานสมบัติด้วยคำสอนใดๆในแต่โลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสะนาหมดเฉียเทิย จ, จะมีสีน้ำล่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดนก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสะนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก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 ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อแล้ผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้แลานผู้ไม่รู้เหตุท่านจึงว่าสัตยาเทวมนุษย์านางเป็นผู้สอนของเทวดาแลินมนุษย์ทางหลายทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกด้วยคําสอนแต่ละวัฏระบาตส่งต่อพระนิพพานหมดณโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานมันขึ้นอยู่กับผู้ส่งต่อทําไมจึงมีโลกี มาพลเปกับโลกุตระปัญหานักธรรมเอกขู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าเอาคำสอนของศาสตราอื่นมาพลเปกับคำสอนพระพุทธศาสนาก็เลยมีทั้งโลกีและโลกุตระปนเปกันยุ่งเหยิงมากเพราะลูก ข, ขึ้นไปนั่งเตียงกับพ่อตาแล้วเอาพระสมานพระพุทธเจ้า ไปขึ้นสเตเตอาสาน ธ, ธ, ธดาอื่นมาชกกับพระบรมศาสาดามันก็ลำบากสิ <S <S ถ้าคิดใจนึกว่าคำสอน ใ, ใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนเทศ า, ส, าสนาหมดอย่างนี้การถึงพระพุะทธธรรมประสงก็ไม่ลำบากไม่ได้ข่มเหงเลย น, นัเห็นชอบเชื่อในพระพุะทธธรรมประสงค์เบื่องต้นอย่างสอนไม่ออก ผ่านรินสองแสนสี่หมื่นโยดเขาเอาลูกระเบิดปรมานูทำลายแตกกิจใจถึงพระพุทธธรรมพรสงฆแล้วไม่มีใครทำแตกเลยนั่นคืออะไรนั่นคือดวงตาเห็นธรรมสกิยะทิฏฐิวิกิกิสาสีและพัตรปรมา m a มันละไปในตัวด้วยนั่นไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยาก เล่นอวัยยมุไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาเพชรการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเลยที่มันหนักใจอยู่ก็พระมันเสียดายอยากร่วงละเมิดทําไมมันจึงไม่เสียดายอยากร่วงละเมิด เพราะมันเห็นดิ่งลงไปว่าเป็นทางชิดหายไม่มีสารอุทรดิ่งไปในทางถูกมันก็ถอนไม่ออกดิ่งไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกคำว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออก้ อ, อก เ, หเห็นไปนทางถูกมันก็ถอนไม่ออกนั่ น, ท, น, นออนะที่ถอนไม่ออกมันเป็นเป็นอุปทานไหมไม่เป็นอุปทานเห็นทางดีถอนไม่ออก ที่พระบรมศาสด า, า, าท่าน ม, มีกิเอืสก็ดีหรือถึง พ, พ, พระพุทธธรรมประสงค์ดีกยังถอนไม่ออกเป็นอุปทานไว้ไม่เป็นอุปทานเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมันที่ควรรักษานั่นอุปทานการอุปทานถือมันในการทิฏฐุอุปทานถือมันในทิฏฐิอันเห็นมตจฉาทิฏฐิเห็นผีดสีและพระทูปอุปทานถือมันในสิ่พรษเพราะไม่ยินดีในสิ่งพฤของพระพุทธศาสนานั่นนั่นนั่นนั่นนั่นถ้าขัดข้อง ท่รรมหาก็ขัดก็ตอบมานี่พวกมีเรียนทั้งนั้นแหละพูดให้พวกนี้โมโหดิพวกนี้ได้เรียนไงเรามาได้เรียนรับตาเราเรียนเพียงรักธรรมเอกเท่านั้นเอกตาเดียวเอกแค่ด้วยไม่ใช่เอกสองตาคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นพมจันท์เบื้องต้นสุปจรป น, นูจะภาวนา จนขุมผมขุนขุมหล่นก็ตามอดอาหารโซเซ ส, สักเพียงใดก็ตามเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ตามจะกำมือขึ้นทลุออกเหมือนพวกชีโปงชอเปลยก็ตามถ้ายังเสียดายล่วงละเมิดศินห้าเสียดายอยากจะถือศาธาราอื่นเสียดายอยากจะล่วงละเมิดอบายมุกทุกประเภทเสียดายอยากค่าขาย อันไม่ชอบทาที่เรียกว่ามิจฉาอาชีวะนั่นเองก็ไม่ใช่พระโสดาบันเป็นพระโสดันโสดาโสขาดแคนีถูกไหมถูกไหมอ่าเดี๋ยวทีนี้ปีติสหัคตาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเนี้เรารู้จักปีติเราผมปีติลงจนถึงอนัตตาธรรมไม่ใช่สามไม่ใช่บุคคลหรอกปีติสหัคตาทำมา กิขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้พูดดังพูดดังฟังชัดพระขมปีติแล้วปีติก็ส่งลงถึงอนัตตาทำใดๆ ใ, ในทั้งปวงส่งลงถึงอนัตตาหมดทางพระพุทธศาสนาะเพราะพระพุทธศาสนาะในทางวิปัสสนาปัญญาเหนือเขาไปในอนัตตาธรรมอนัตตาแปลว่าสัพเพสมาอนัตตาติแบ่งออกเป็นสองภาคอนัตตาฝ่ายโลภุตระ อนัตตาฝ่ายโลภีอนัตตาฝ่ายโลภุตระนับแต่สุปัทวโนเป็นต้นไปจนถึงญาและสามีทุกสมุทัยเป็นอนัตตาที่ควรละควรเว้นมรรคกิรโย์เป็นอนัตตาที่ควรเจริญให้มีและทําให้เกิดและทําให้เกิดให้มีและทําให้แจ้งนั่นั่มันจะยากอะไรอนนั้ตาบ่าเป็นฝ่ายเว้นอันัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญตัดตาก็เหมือนกัน อัตติหิอัตโนโนาโตตัวเป็นพึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พ่งของใจนั่นเองก็คือทําเป็นที่พึ่งของธรรมนั่นเองนะภาวนาทำเพื่ออะไรภาวนาอะไรภาวนาจะเอาอณิจังทุกขังอัตตาไปพันธุภัณฑ์อกหรือไม่ได้เอาไปดอกถ้าไม่ภาวนามันก็หลงว่าหังหุมอยู่ได้รอบเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นของสวยงาม เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเพื่อให้ข้ามทะเลหลวงส่วนนี้ถ้าข้ามทะเลหลวงส่วนนี้แล้วมันก็ดับเคลื่นในวัฏสงสารก็เข้าสู่พระน槃เท่านั้ น, นะกรรมฐานในทางพุทธศาสนาก็มีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์ก็อารูปกรรมฐานรูปและอารูปเกิดขึ้นหน้าแปลโพนตแตกสลายนันะนัะนะ เทวดาเทวราเย็นพรมพยอมพระการเจะาตระกอบบาลทั้งสี่สังขารโลกโลกคือสังขารสัรโลกโลกคือมูสัตต์โอการโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่กา마พระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่อรูปภพที่หกชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาในเป็นสังขารโลกสังขาราปนมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจาวันทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกัน เมื่อใดเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้ น, นย่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธิสีในสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญายสุทธิไ ต, ตรสีขาครบอยู่ในปัจจุบันนั้นเองปัจจบันพระพุทธศาสนาเพื่อเพื่อพน้นจึงสมฉานะของผู้ถือพระ พ, พุทธศาสนาปัจจบันพระพุทธศาสนาเพื่อปัจจัยสี่กิวนานวิชาบาทเสนาสนะเพศก็พอเป็นเมตัยนี่เอง แต่เราทําไมเราจึงไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสตร์นาเพื่อพอเป็นในิสัยพระบารมีของเราแก่ข้ามาแล้วถ้าบารมีของเรายังยินดีในมนรษย์ ส, สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติอยู่ก็เรียกว่าเราบารมีของเรายังไม่แก่เมื่อเราเห็นภครในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่อยู่ในตัวแล้วจะภาวนาอันไหนก็เข้าไปรวมอันเดียวกัน เพื่อพ้นทุกข์ในวรารรสามเท่านั้นนางงามในทางพุทธศาสนาคือเป็นพระหัต์พ้นไปแล้วมนิยมชั้นวันนะพระสวดาวันสกทาคามมนาคาเมย์นางงามชายงามก็เหมือนกันแก่แกงงอมสักเพียงไหนก็าตามถ้าถึงสุภะรจ ป, ปนชุยยะสามีอันใดอันหนึ่งแล้วก็เปิดประตูโลภุตระนั่นแหละนางงามชายงามในทางพุทธศาสนา นางงามชายงามที่กิเลสของพวกเรานุ่งน้อยหฮมน้อยอส่งเสริมส่งเสริมการ ม, มาลมนั่นแหละนางงามพวกเราเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฉะนะั้นพวกเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนานนักที่นี่กรรมาฐานแต่และอย่างละอย่างดีทีดแต่สู้ลมหายใจเขาออกไม่ได้ลมหายใจเขาออกมีในพระพุทธศาสนาเสียงเดียวศาสนาอื่นไม่มี กายชตาสติตอนน้องมีในพระพุทธศาสนาเสียงเดียวลมหายใจเข้าออกมันครบสติปัฏฐานสี่พิจารณาลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายายนุพสนาอยู่แล้วเพราะถ้ามันมีลมกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออกตรวจว่าเราสวยเวทนาอะไรเวทนาสุขหรือทุกข์เวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ตรวจเห็นก็เป็นเวทนานุพสนาลมหายใจเข้าออกเราตรวจดูจิตของเราว่า เศร้ามองหรือผอมแล้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าออกพิจารณาเห็นความเวที่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วแล้วพิจารณากายลงสู่อนัตตากายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตเป็นแต่สักว่าจิตทำเป็นแต่สักว่าทำคร่อมกับลมหายใจเข้าออกแล้วก็สิ้นความสงสัยสติปัฏฐานสี่ยืนลงเป็นสองกายานุปัสสนายืนลงเป็นกายตามเดิม เวทนาจิตตาธรรมาย่อมเป็นนามขันนั่นนั่นนั่นก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้นอยู่ในโลกเลยอธิกะริยายสูตรก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้นตาหัวจมูกเล่นกายเป็นรูปขันใจเป็นนามขั น, นะทัศทางายมาหลงอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ทีนี้อนัตตลักษณ์สูตรก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้น รูปมีดินน้ำไฟลมมาชุมกันเป็นการเป็นกายอย่างรูปของฝนยาฟันหนังเนืกระดูกเยื่อในกระดูกม้มห้อใจตาฟันปวดใจปวดใส่ใส่ร้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นเป็นรูปเป็นธาตุดินดีเศษน้องเงื่อนเงื่อยมันค้นนำฟ้าไปมานาลายน้ำมุกน้ำใสข้อน้ำมูดอันนี้เป็นธาตุน้ําไฟที่อ้างกายให้ออกฝนไฟที่อ้างกายชุดช่งไฟที่อ้งกายกวนกวยไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้เป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นวังบนลมหาลมเหลลมอ้วกลมพัดลงเื้งต่ํำหายลม หรือถ่าอุราระถายพัทลมในท่องลมในไส้ลมในช่องรอบไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นแต่สภาระธาตุลมเขาเรียกว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารเวียนญาณก็เป็นนามขันรูปกับนามเท่านั้นถ้ามาจากกัพัฒนสูตรก็เทสรูปกับนามเท่านั้นนักชาติไม่ทุกขลาชราไม่ น, มะะนำความโศกเข้าเสียใจเทสนามขันกับกิเลสที่เอง ก, กันก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้น แต่ยังไม่ทันบรรยัติปาราชิกสีั้งขาที่เศษทุสามอันยศ2นิ่สีารจิตีสามเศษปารจิตีก็สองปศเยศสี่เศษชิวัดเจิบห้าทำไมจึงไม่บรรยัติในผสมอภรรติการก็เพราะเหตุว่ารรมาจากกัปะวัตตนสูตรนั้นมันคบไตรชิกขาแล้วอัตถังคิโกมะโคสยยะทิสัง ส, สมาธิสังกปาามมวัจจาคมนตอาชีววายโมสติสมาธินะ่ะมันย่ลงเป็นไตริกขาแล้วนะ มันครบใตพิโลกไงทำแต่ละวันะบาทครบใจพิโลกงดรัตนสูตรก็ครบไตพิโกมงคนสูตก็ครบไตพิโกอันนีัติขจารทัศนงัอนนนงอนัตตันังนะิวาณัจจิริยาจักนั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานซะ น, นัอเสวนาชารานะังอยากขบอ่านชาติชาเป็นวิสควรครบบันทิตบันเิศคืออะไรคือพระนหันบันเทตขั้นที่หนึ่งนั่งพระเจูระเทศราช อยู่ประเทศนะสงวนประเทศประเทศไทยเป็นประเทศสงวนที่มีพระพุทธศาสนาประเทศสมันสงวนคือประเทศใจที่มีพระพุทธธรรมประสงค์นั่นน้อมเข้ามาในเป็นในปรมาจา์นั่นไม่ต้องสงสัยจะสงสัยทำไมทีนี่นักธรรมเอกถ้าตอบให้ถูกในสนามหลวงฟังนะพวกนักธรรมเอกนะมาหาทาั้งนั้น่ะเลยผู้ภาวนาพุโทโธพุโทโธนั้น เป็นสมถะหรือวิปัจนาเล่าถูกปัญหาขึ้นเดี๋ยวนี้ถูกปัญหาหนักคเอกถ้าจะตอบให้ถูกในสนามหลวงเขาผู้ภาวนาพุทโธพโธนั้นเป็นสมถะเพราะเหตุว่าบริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมและสามารถถึงอุปจารสมาธิด้วยตอบในสนามหลวงถูกถ้าตอบอย่างนี้แต่ให้ผมตอบทุกวันเนี่ยผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นเน้อ ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเป็นสมถะและวิปัสสนานั้นก็ไม่เชิงมันขึ้นอยู่กับบุพเพจักตะปุญญาตาบุคคลที่ทําได้ช่างมาแต่พบก่อนชาติก่อนยกบุหรานเวลาเขาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เขาเห็นความบริกรรมของเขาอันกิตะสังขารหรือวัจีสังขารเกิดดับอยู่ส่วนคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้เกิดดับไปไหนเป็นวิสังขารคุณ เขาเห็นพร้อมกันในเวลาที่พิจารณาอยู่นั้นรกรมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวในคณะเดียวในปัจจุบันทันการจะว่าเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกเป็นไม่ปัจจนาและสมถะรกรมกลืนกันไปในตัวยกกระทะ้อนอีกเช่นผู้บริกรรมลูปไปรูปมาไรชังละละโและนางและชังฮัตติอย่างนี้ฉะ น, นจึงแตกฉานในพระสัมพิธาสี่เลา ก็น่าจะเป็นบาริกรรมภาวนานี่ชั้นใดก็ดีมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านละคนที่สร้างมาแล้วในพว ก, ก่อนก่อนเพราะน้อมลงมาไม่เหมือนกันเหตุฉะนั้นปฏิสัมพทาสี่จึงมีในพระพุทธศาสนาเราจะตอบอย่างนี้ตายเราตอบทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ตอบอย่างนั้นเพราะเราได้มาปฏิบัติถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ผมเห็ให้ถูก พวกมหาท่า น, นอะเนี่ยเราไม่เป็นมหาหรอกพระปะ่าพระผีบ้ายังไม่หายว่าเข้ายังเข้ายังเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลศีรษะัญญาพระหันจําพวกเดียวหายบ้าแล้วออกจากโรงพยาบาลศีรษะัญญาใหญ่คือไตโรคธาตุพระสวดาวันหายบ้าเป็นเอกเทศ พระสกทาขานาขามีาามาามาก็เหมือนกันถูกไหมท่านมหาข้ามทะเลหลงด้วยทุกความไม่หลงภาวนาอันไหนดีมดขอให้ส่งต่อพระนิพานกราบไหว้ก็ให้ส่งต่อพระนิพานพุทโทธธรรมโมสังโคนิพานไม่ในหวังเพื่อไหว้ไม่ไม่ในหวังเพื่อไหว้หลอกกินขนมไหว้เพื่อพระนิพลเพราะเจตนาดิ่งทั้งพระเนรพนหมด พุทโธคำเดียวก็ถึงพระนิพพานได้พุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บไม่พามาตายไม่พามาโรคไม่พามาโกรธไม่พามาหลงนั่นนั่นนั่นยังลงถึงพิพิชนาได้เหมือนกันนั่นทำโมก็สรงไหวถึ่งทำเที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่แค่ไม่ตายสังโฆก็ปัจจบัติเชื่อไม่เสื่อมไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายโกลงพุทโธทำโมเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ด้วยกันการตินานาหนตัมปีวะเชื่โตอัญญะมัญญาวีวะคามะเอกีภูตัมปนะทะโตนี่พวกนี้ฟังออกแล้วเนี่ พวกนี้เรียนมากแล้วนะี่ยซูชิกิโต้แล้วเนะี่ยยังแต่ปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติง่ายพวกนี้เรียนอนะ่ะอันไหนถูกอันไหนผิดปฏิก็รู้จักอยู่เนะี่ยเพราะมีแผนที่อเดินทางมีแผนที่มันมันสะดวกดีถึงไหนก็รู้จักบางท่านบอกว่าถ้าภาวนาดีก็ไปเห็นนระกสิเออเขาเห็นทั้งภูมิโลกเลยภาวนาขนาดกิดเดียวเดียวนี่ เห็นอนิจจังขณะกิจเดียวเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาเมื่อเห็นตามจักสุปัญญาปัญญาที่จักสุสมัญตะจักสุจัสุรอบครอบถ้าเห็นตามสมัญตจักสุรอบครอบก็เห็นอนิจจังคณะเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะเดียวก็เห็นรอบหนึ่งโลกรอบหนึ่งแล้วนั่นเห็นดินน้ำไฟลมขณะเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลม คนจะมีมากเท่าไรก็ตามก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นก็มีแต่รูปสังขาร น, นามสังขารเท่านั้นส่วนจิตใจที่เป็นบุญเป็นบาปยกป้ยขึ้นขึ้นอยู่แต่ท่านท่ละคนนั่ น, น, น, น, น, นถูกไหมนะไม่ถูกก็ผลมเสียงให้ถูกใช่ไหมทีนี้จะพูดกันอะไรเอกไม่ไมันมันไม่มีสิ่งที่จะพูดนะออผู้ดใดภาวนาอันใดก็ให้เรื่องภาวนาอันนั้น ภาวนาทำให้เกิดได้มีพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นภัยในวัฏสงสารเพราะบอกว่าวิปัสสนาธุระไม่ได้บอกว่าศีลธุระสมาธิธุระนั้นนิ่ปัสจณาธุระก็คือปัญญาธุระเราดีๆนี่เองนั่นศีลปัสรวาบั น, นสัคาคามีนาคามีศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญาของพปัสรวาบันสัคตาคามีนาคามีฐ า, านาจะไปเสมอกันไม่ได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันจึงยืนยันว่า พุทธสี่จำพวกสมาัพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจ้าพุทธจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาจำพุทธะจำพวกหนึ่งพระปเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธจำพวกหนึ่งนี่เรียกว่าพุทธสี่จำพวกหมายถึงพระอรหันต์ทีนี่พุทธเป็นเอกเทศพระโสดาบันเป็นพุทธเอกเทศพระจัคทาคารีเป็นสาวกพุทธเอกเทศไปจนตลอดพระอนาคางส่วนพระอรหันต์เป็น สาวะโกสาวยกาพุทธชิ้นเชิงแล้วเรียกว่าสาวะโกสาวิวกาพุทธส่วนสัมมาสัมพุทธะเป็นปพระเจ้าพระพุทธต่างหางสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่หนึ่งพระเจ้เป็นชั้นที่สองสาวกสาวิกาเป็นชั้นที่สามนั่ง น, นั่งเดี๋ยวพระพุทธสี่จำพวกบางท่าน ก็บอกว่าพุทธะพุทธะแปลผู้รู้ผู้รู้แต่ว่าตีผู้รู้เสมอกันเหมือนสมาธิพุทธะเราก็ไม่ยอมและเราก็ฟังไม่สนิทด้วยนักไม่แยกออกทาแต่ละวัตรบาศส่งต่อพระิพปานหมดพระเนพานก็คือดับเพลิงในวัฏสงสารนั่นเองผู้ใดเพลินในวัฏสงสารก็คือเพลิงในวุ้นฐานเพลินนั่นเองเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายเพลิงโรคเพลิงโกรธเพลิงหลงเพลินพัฒนาไม่ได้สมหวัง เมื่อเห็นปัจจุบันชัดสิ่งใดๆอดีตอนาคตถึงนั้นนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นอนนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตทุกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเรามีกิเลสอยู่แต่เรารับนับเม็ดหินเม็ดใจในท่องมหาสมุทรได้นับเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนในท่องมหาสมุทรได้กิเลสของเราก็เต็มพุงอยู่แต่เรานับได้เราเป็นคนมันคนขี้ดื้อ คนที่ด้นเราลองนับเม็ดหินเม็ดทรายดูพร้อมกับลมให้ใจเขาออกนับได้นับไปหินก่อนับมายากสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็เรียกว่าธาตุดินเอกปฏเทวธาตุเม็ดหินเม็ดทรายจะมีอยู่ที่ใดก็ตามนับลงเป็นหนึ่งสังขโหไม่ไม่ใช่อสังขโหเอกวายโยธาธาตุไฟมีอยู่ที่ไหนก็นับได้เอก เะโชว์ท่าทาหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้นับก็เป็นผีบา้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบา้ากี่วันมันพิง จ, กจกนะจบนั่นพระพุทธศาสนาสอนสัง่งสังฆโอและอาสังฆโ อ, อสังฆโอแปเอาสงข้อาสังฆโอไม่สองขอ้อแปดมื่นทีพระธรรมขันธ์ไม่สองขอ้สังฆโอลงมาเป็นเอกนิบาตคือเอกจิตเอกธรรมอยู่ที่ใจนั่นนะั่นะันะ่พูดเป็นเอกนิบาตอา๋อภาวนาก็เป็นเอกนิบาตยาวพูดมากมากออกไปจากใจน้อยก็น้อยลงมาหาใจ นักดีก็บวกขึ้นที่ใจชั่วก็บวกขึ้นที่ใจนักลบก็ลบอกอกจากใจะบางท่านก็บอกว่าเออนี่ฉันภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้หลวงปู่จะทํายังไงเออถ้าสําคัญนาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้สิถ้าไม่สําคัญนาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ต้องข้ามได้ออนี่ฉันทําคิดไม่ว่างพระเจ้าข้า เออถ้าสําคัญสําคัญคิดว่าเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างสิล้วก็พูดอย่างนี้เมื่อเรารู้ตามเป็นจริงไม่ต้องทํากิริยาให้มันว่างมันว่างเองมันเหมือนเราหลับตาอย่างนี้เราลืมตาขึ้นไม่ต้องทํากิริยาให้มันเห็นมันก็ต้องเห็นเองมันนั่นฉันใดก็ดีเมื่อเรารู้เท่ามันแล้วมันว่างเองมันไม่ใช่เราจะทําให้มันว่างอีกถ้าเราทําให้มันว่างอีกมันก็เป็นกิริยาสะนั่น พระองค์หนึ่งถามหลวงปู่ครูา่คาครู่าบวช ด, ด้วยกันบวชพร้อมกันนานจึงเจอกันครูา่คาครูบาพ้นแล้วหรื อ, อยังเออผมยังไม่พ้นหรอกเกเรกของผมเท่าแผ่นฟ้าแผ่นดินผมพ้นแล้วครับเออท่านพ้นแล้วท่านเล่าให้ผมฟังสิะท่านทุ่นเล่าให้ผมฟังสิผมไปเล่าถวายหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็ให้คะแนนผมอยู่ ผมเบื่ออดีตผมเบื่ออนาคตแล้วเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในปัจจุบันเออถูกแล้วผมก็ให้คะแนนว่าท่านถูกแล้วปู่ขาวก็ให้คะแนนว่าท่านถูกเพราะท่านเดินมัดถูกแล้วท่านย่นไตชิกขาลงมาในปัจจุบันนกจิตปัจจุบันนักธรรมอันเป้าที่ท่านกำลังเพ่งอยู่เดี๋ยวนี้ท่านเพ่งอยู่ในเป้าลูกเป้านามันก็ตามท่านเอาปัจจุบันเป็นตัวสิงสมาธิปัญญาท่านเดินมัดถูกแล้ว มีมักอยู่ในที่นั่นก็มีผลัมปยุทธ์อยู่ในที่นั่นด้วยแต่ท่านยังไม่พ้นเนื้อพระอรหันต์ผีบ้าอะไรจะไปรักษาปัจจุบันอยู่เหมือนคนคุมนักโทษพูดท่านพูดให้ท่านฟังผมยังไม่พ้นแต่ผลพูดได้เกาหัวทีนี้เอา้าผมจะอธิบายให้ท่านฟังปลาตัวเดียวนั่นเองถ้าทางหัวนั่นเป็นอนาคตหางเป็นอดีต กลางตัวเป็นปัจจุบันเนี่ท่านไม่กินสักหัวมันมันมีกล้าหางท่านก็ไม่มกินไ ม, ไม่ไม่กินสักไม่ฉันสักมันไม่อร่อยเนี่ยก็ท่านมาฉันที่ตรงพุงของมันมันอร่อยดีเนื่ยท่านท่านจะปฏิเส ธ, ธว่าท่านไม่กินปลาตัวนั่นก็ท่านขสาดเจมโกงใช่ไหมแล้วก็พูดนะเกาหัวทีนี้เกาหัว การจานทร์ชวนหัวเร้อ่านจานทร์ชวนนั่งนั่งหัวเราะเอา้าผมจะเล่าให้ท่านฟังผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคตผู้ใดรู้เบื้องต่ําคืออดีตผู้ใดรู้เบื้องกลางคือปัจจุบันผู้นั้นไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามผู้นั้นดับรอบแล้วเพราะว่าเราพระศาสดา ย, ยืนยันว่าเรารู้อดีตตามไปจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามไปจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามไปจริงของปัจจุบัน แต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้วิสังขารตามเป็นจริงของวิสังขารเราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้ยมุติตามเป็นจริงของยมุตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเพราะอุปทานของเราไม่พี่เลยไม่แม้ไม่มีในที่ใดเลยถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์ศูนย์เราก็ไม่ติดอยู่เราก็รู้ตามเป็นจริงของศูนย์เราไม่ติดอยู่ในที่ใดเลย เหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีนั่นวิปัสสนาผู้หวังผ้นทุกข์ในวัาสงสารผู้หวังหลอกกินขนมเขาก็ไปติดอยู่เพียงในมิตอะไรแต่อายเห่อเอือนเดินอากาศสารพัดเห็นแสงแก้วแสงเหวียญแสงอะไรอยู่ในดวงอกรวงใจถ้าเห็นอยู่ในที่นี้ตายคานี่ก็ไปเกิดในบพมรรคภพมาเปสัจชาผมาเโลหิตามหาผพมาปฏิตาภาอภมานาภา ตามลำดับของทุติยาชาติตติยาชาตนัน้นไม่พ้นยังไม่พ้นพระติดอยู่ในอรูปพราะติดอยู่ในรูปในอรูปเหตุขไหนอารารดาบทอุทะกดาบทรามบุตรจึงไม่ถึงพระโสดาบันเพราะภาวนาถึงอรูปปจิตแล้ว เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มมีสัญญาก็ไม่ใช่วัิกรรมอยู่อย่างนั้นแปลเป็นไทยเป็นผู้จำเป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่นี่เป็นอารูปประจิตเป็นอารูปประธรรมตายคาอ น, นั้นไปเกิดในอารูปภพแปดหมื่นสี่พันกับยังเป็นพุทธชนคนหนาอยู่นั่นพระเหตุใด เพราะไม่ยอมตัวถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมสงค์เพราะพระพุทธธรรมสงค์ยังไม่ปรากฏในที่นั้นยังเป็นศาสตราอื่นเทียมพระพุทธธรรมสงค์อยู่เขาบอกลมศาสตราจึงจะไปประกาศพระศาสนาในนึกเห็นคุณท่านที่ท่านได้เรียนหนังสือท่านจนถึงสมาบัติแปดแล้วจะไปเอ่ยซึ่งแ้กก็จะถึงพระสวัสดิวันแต่ว่าสิ้นลมฟานไปแล้วเจ็ดวันเจ็ดได้หนอ แล้วก็เลยจึงเดินทางไปหาพระปัญจวัคคีไปพบอุปกะชีวกเดินสวนทางมาสันศีสะไม่เชื่อก็เลยไปหาปัญจวัคคีนัดพระเหตุได้ก็พระเหตุได้ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอ้าพระโมกคันลาสาลีบุตรออกจากสวนชัยนาตบุตรก็ต้องมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน เพราะเรื่อมใสภาษาเดบทก็ถว่าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ส่วนพระมกคลาเรื่องใสธรรมะของพระพุทธศาสนาอันเดียวเพราะได้เพื่อนเล่าให้ฟังก็เลยสําเร็จรสัจวดาบันนั่นนั่นนั่นนั่นยังกินจี่สมุทัยยะธมังสับพันตังเนรวัธรรมมันตินั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสุนเป็นธรรมดาอันนี้เป็นหลักหัวใจของธรรมจั ก, กรปรวัตนาสูตรเห็นอันนี้จังชัดในทางพระพุทธศา ส, าาสนา ก็ถึงพระโสดาบันบาปจะเกิดก็เพราะมีเหตุเกิดบาปจะดับบาปก็ต้องดับเหตุบาปบุญก็เหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนให้ข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวทะเลหลงกว้างขวางก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งซะเตะซิขาก็ย่นลงมาเป็นเอกนันยบาทซะในปัจจุบันซะนั่น หายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นทั้งอเนจังทุกขังอนัตตาด้วยไม่ไม่ทำให้ต้อตงการหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงกลืนกันอยู่ไม่มีการวันคืนด้วยหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นทั้งความเกิดแก่เจ็บตายด้วยเห็นทั้งความเปื่อยความเน่าด้วยนั่นกรรมฐานในแต่ละประเทศดึงมาในลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนั้น พระแม่เลีกดีมันดึงมาเองมันฉันทะพอใจรักใครในลมหายใจเข้าหรือในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิิยะเพียรมันประกอบในกรมนกนกรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ทำทีอย่างนี่มีโบดีบุญแล้ว อาชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเหนือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิธะเพี้ยนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเลือกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมันในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงก็อยู่ในที่แห่งเดียวกันนั่นสินห้าก็เหมือนกันถ้าไม่ร่วงแล้เมิด ก็เป็นเชือกห้าเตรียวก็เป็นศีห้าห้าเตรียวมาเตรียวอยู่ที่หัวใจนั่นสีสองรยิบเ็ก็เหมือนกันสีแปดก็เหมือนกันนั่นแปดมืนสีพระธรรมขันก็เหมือนกันก็เป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเกลียวลงมาอยู่ที่ ป, ปัจจุบันปัจจุบันนันเกลียวธรรมังผู้ใดเชินธรรมในปัจจุบันผู้ได้แม้งองง่งองน า, านแง่คนขันทางพุทธศาสนาแลนั่นสังขารทัร้งพวงรวมลงมาเป็นเอกาสังขารแล้วนั่นทำทั้งพวง ศีลสมาธิปัญญาทั้งปวงก็รวมลงมาเป็นเอกะศีลเอกะสมาธิเอกปัญญาอธิสิขาสิขาคือศีลยิ่งอธิยิฐาสิขาคือยิง่งอธิปัญญาสิขาสิขาคือปัญญ์ตระุมบอลกันอยู่ที่นี่ชนะก็ชนะกันอยู่ที่นี้แพก้พก็แพ้กันอยู่ที่นี้นั่นชนะทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนาะนั่นนั่นนั่นถูกไหมนั่นั น, นขาขา้านั่นมันไม่ใช่ข้าเรา นั่นได้ยังกระ ท, ทุกทุกทางกายนั่นเนบช้าแล้วเทศไม่มีเอวังเทศไม่มีพาสิตธเทศไม่มีนมโนมโนมโมแปลว่าน้อมน้อมถ้าน้อมน้อมแล้วก็เป็นนมโมเท่านั้นพาสิทธก็มีสามพาสิตธกายยาพาสิตธวะกีพาสิทธมโนพาสิตธย่นลงมาเป็นหึงก็ะมโนพาสิทธมาจากคำเพียไหนมาจากคําเพียมโนพุพังทางนั้นเองนั่น จะดีกะเชื่อก็มาจากมโนพูพังนั่นเองนั่นดีเชืาาช่อก็มาจากมโนพูพังใช่ไหมําไมากขัมพีไหนมาจากคัมพีมโนพูพังถูกไหมที่วักก็พูดมากจุนรักก็พูดน้อยใช่ไหมมหาวักก็พูดหลายวักหลายตอนใช่ไหมนั่น มาหาอีตาเท่านี้มาให้กินข้าวอีตาเท่านี่ไม่ให้กินข้าวเลยอดเอาฉันมามาาแล้วเอออับปันนาัาปฏิปทาสูสร สำหรับในที่หกตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไม่ย็นีเนร่าในเวลาเห็นรูปฟังเสียงลงกลิ่นดืม่มแล้วถกช่องปัสสาวะด้วยทรู้ทำมาลงในใจพอเช่นเอามาสันโยตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอทุพพลม่มากไม่น้อยยังเหลืออีกสี่ห้าคำดื่มน้ําสักเรียกว่าฉันพอดีชาคณียานโยคประกอบความเพียงนอนวันหนึ่งคืนหนึ่งรับสี่ชั่วโมงพอแล้ว แต่หลวปู่ทุกวันนี่สองชั่วโมงก็าทั้งยากเนอะมันไม่หลับมันแก่แล้วมันเตรียมตัวตายแล้วทุกวันพูดกับลูกกับห ล, ลานก็พูดเฉยๆ แ, แต่ว่าเตรียมตัวตายแล้วถ้าภาวนาอยู่คนเดียวไม่ได้เอามากเนอะวัวาหารก็หานลงในปัจจุบันวัวหอนก็หอนลงในปัจจุบันถ้ารู้จักปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตก็รู้จักเหมือนกันยาวขยาออกไปจากใจย่น็ย่นลงมาหายใจกิจตสังขาร เอาปัจจุบันไปพระพนาคไหมไม่ได้เอาเอาเป็นเรือเป็นแพเอาจิตเป็นเรือเป็นแพเอาจิตเป็นที่ตั้งเมื่อถึงพญานาคแล้วเอาจิตไปด้วยไหมไม่ได้เอาจิตไม่เป็นหน้าที่เอาจิตไปด้วยพระรหัน์ตายแล้วเอาจิตไปไหมไม่ได้เอาจิตไปด้วยไม่เป็นฐานะที่จะมาบาัญญัติจิตอีกเพราะเป็นธรรมอันไม่ตายแล้วคล้ายๆกับว่าใหญ่โตหฐาน แก้ตอบฟันหักแล้วจะมาเรียกว่าคุณหนูมันก็ไม่ถูกมันไม่สมถานะถูกห ม, มชอบใจไปของว่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหน้าที่ล่วงไปก่อนล่วงไปอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนมันไม่มีเอวังในใจโลกธาตุไม่มีเอวังมันเทศอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนสังขารเกิดดับ ถ้าแปรปวนก็ไม่มีอยู่กลางวันกลางคืนสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แปรไม่ปวนก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ผู้รู้ผู้เห็นเรียกว่าผู้ปฏิบัติส่วนสิ่งเหล่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะเลยเอ้าความเปลี่ยนเปลงในท่าขละกายของเราลงธรรมะไหมมีเอวังไหมได้ประกาศได้เฉลี้ยไหมไม่มีงั่นความแก่ลงธรรมะไหมไม่อง ความเปื่อยเน่ า, ม, ม, า ม, มีลงธรรมาไม่ไหม่ลงความตายลงธรรมะไม่ไหม้มลงแขวนคออยู่บางท่านก็มาถามมาถามว่าท่านพวกขึ้นเครื่องบินพระกมามฐานไม่รู้ว่าตนจะตายหรือทําไมจึงไปขึ้นสมัยหลวท่านอาการทิ้ชีงทองตบเครื่องบินผมก็ตอบว่าเออโกชัญญาพรละนังสเวใครจะรู้ได้ความตายมาในวันพรุ่งนี้ นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งสักกาเชตุงท่นีนว่าความตายมาถึงแล้วใครจะไถ่ถอนด้วยเวทมนตร์ด้วยทรัพย์ก็ไม่ได้นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกทรัพย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะให้ไม่ตายในโลกจะไปตายที่ไหนนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกยังหมัดเด็ดเหลือเกินครับเราไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเราเกิดมาทำไมอันนี้มันถูกจะดีครับ เงียบเลยสติสังวรสัมมลมด้วยสติญาณสังวรสัมมลมด้วยญาณศรษสังวรสัมมลมด้วยศีลสมาธิสังวรสัมมลอมด้วยสมาธิญาณสังวรสังวรด้วยญาณปัญญาเป็นหัวหน้าทำทุกชนิดปัญญาโลกีพระบรมศาตสดาไม่รับรอง สินสมาธิปัญญาในโลกีพระบรมศาสดามาดอไม่นับเข้าในพรมจัรท์เบื้องต้นด้วยข้าวผมไปพักอยู่ที่นาาวัยใกล้ริมมหาสมุทรอินเดียมีพระหนุ่มมาลุมผมพระนักเรียนแต่ในสมัยนั้น249394ถามว่าในระวังอายุ40เรา หลวงพ่อหลวงพ่อเขาเรียกมหานิกายเขาทำมายุทธนี่อันไหนมันดีครับเออนายแดงนะครับนายดำอันไหนดีนายแดงทําผิดนายแดงก็ผิดนายดำทาผิดนายดำก็ผิดถ้าบากรองอาาัสสัสดาไม่ได้บอกว่ามหานิกายหรือทำมายุทเป็นสาวกของเราหรือสายนั้นสายนี่เป็นสาวกของเรายืนยันแต่เพียงว่าสุภเจปโนโหนชุตยายะสามีท่านั้นเป็นส า, า, ส า, า, ส า, ว, สาวกของเราเอสาภควาตัวเ้าสังโภ นี่เน้อสาวกของเราสถากดยืนยันเท่านั้นไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายเนอธรรมยุทธหรือสายนั่นสายนี้เป็นสาวกของท่านเออพูดอย่างนี้ก็น่าฟังมากบางท่านพูดเข้าข้างตัวนึกโกรดเหมือนกันผมะ <c oughs> เขาพูดพวกนั้นเป็นพวกพวัดบ้านเขาเป็นนักเรียนแล้วก็พูดตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าไม่ได้ยืนยันว่า มหานิกายที่ทมายุตธเป็นสาวกของท่านหรือสายนั่นสายนี่สายอาจารย์ตรงนั้นสายอาจารย์ตรงนี้ยืนยันแต่เพียงว่าสุาจปจรโนโชุยายะสามีเท่านั้นเป็นสาวกของท่านในพระสูตรก็หมดปันหมดคัญหากันไปลัทธิใดๆก็ตามถ้าไม่ยอมเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแล้วปิดบังพระโสดาบัน นักที่อื่นๆที่มาอวดดีก็พระบรมศาสตสามาเรื่องสพระโพธสัตพระโพรมศาสตรสาหมดจึงสําเร็จพระสวัสดบิบรรืออหรหันต์แน่สูตรแนไหนก็ไปตรวจ ด, ดูสิในพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกอยู่นี่มีสามจบเนอะหลวงปู่แสงฉายแล้วก็อันหนึ่งแล้วก็จบสยามรัฐอันหนึ่งแล้วก็กรรมการศา ส, รสนาหรืออะไรสองร้ปีกรุงเทพเออกรุงเทพ มีสามจบอยู่นี่นะพระเตยพี่หลอกมีสามจบอยู่นี่ข้างบนข้างบนมีพระพุทธรูปเต็มนี่ผมไม่เนีเอาพระพุทธรูปลงมาเพราะเห็นว่ามันต่ําผมก็เลยกราบกราบที่ไหนก็มีพระพุทธรูปอยู่นั่นเองไม่ใช่ว่าเรากราบขึ้นบนภูว่าจะไปกาบภูไม่ใช่ใช่ภาษาในบทท่านก็กาบไปทุกหนทุกแห่งพระอาตชิ้นอนอยู่ข้างไหนท่านก็กาบไปคนทั้งหลายบอกว่าท่านกราบคลิป แล้วไปฟ้องพระว่าเรศาศาษาอะไรท่านม่ได้กาดทิ้ดดอกพระษาดีบุตรพระอาทิตยนอนอยู่ข้างไหนท่านเขารับพระอาทิตย์พระอาทิตยเทศแค่ท่านได้ถึงพระสสดาวันการเขารับคนไม่อตกตันอยู่ภาษาดีบุตรเป็นเรือ่องยากคนทั้งหลายเห็นก็บอกว่าท่านไหว้แทบคิดคําสอนใดๆ ใ, ในแต่ระท่ามันเป็นเรืองเครื่งคําสอนพุทธศาสนาหมด เราไม่สงสัยเลยพูดอย่างอาหานทีเดียวเหตุเฉะนั้นการเคาลบพระพุทธศาสนาเราจึงไม่สงสัยเลยพึ่โพคําเดียวก็ส่งต่อพระเนปานหายใจเข้าครั้งเดียวส่งต่อพระเนปานเลยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการก็มาถานแต่และอย่างละอย่างส่งต่อพระเนปานทางนั้นก็มาถานแต่และอย่างละอย่างน้อมลงสู่อนัตตาทำได้ทางนั้นเช่นเมตตาเหล่านี้ก็เหมือนกัน โยนิสีทุกส น, น้าจมเป็นสุกในพุทธธงรมสงโยทุกว่าเถิดทําไมจึงยืนยันอย่างนั้นก็ยืนยันสิสุกในโสดาบันสุกในสักทาคามีสุขในพระอนาคามีสุกในพระอรหันต์มันเป็นสุกโลกุตระมันไม่ถอยหลังนั่นบุญเป็นกิพึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าบุญเป็นดิน่งเป็นเป็นดิ่งของความประพฤติช่าไม้คอยตามถ้าทําอะไรไม่มีดิ่ง ก็ไม่มีอาจารชั้นใดก็ดียึดใจทําไม่มีธรรมะก็ไม่มีดิง่งเอาธรรมะของพระพุทธศาสนาเป็นดิง่งเงินดีในพุทธศาสนากณะกิจเดียวยังเงินดีกว่าอันอื่นๆระล่านขณะกิจทำแปลว่าทรงอยู่ทรงอยู่ที่หัวใจแต่ละท่านแต่ละคนอริยะธรรมเมอทิโตนะโรทำอันประเสริฐก็อยู่ที่นอทชนนั่นเองความดีความชั่ว ก็คือพระเป็นเจ้าผู้สร้างขึ้นพระเป็นเจ้าจิตพระพุ้เป็นเจ้าใจนีเองไม่ใช่พระพู้เป็นเจ้าอันอื่นพระบรมศาสด า, าก็เป็นเพียงขี้อบอกเท่านั้นหิ้วนอนก็ต้องนอนเองหิ้วน้ำก็ดื่มเองหิ้วอาหารก็ทานเองเราสถาคตทำแทนไม่ได้ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนสถาคตก็ไม่มีวนทางที่จะรู้ได้ ถ้ามีอยู่ก่อนตาคตจึงมีคนทางที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นตาคตจึงเคารบธรรมอย่ า, างแกบจมไม่กระด้างกระเดืองเลยพระบรมศาธธลาทาอะไรขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจะขอความเป็นธรรมจากศาสนาใดก็ขอความเป็นธรร ม, าามาจากศาสนาพุทธสิเพราะศตร์รัตที่อื่นๆสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็ว่าเป็นธรรมไปซะ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมก็ ม, กมีเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งไหนที่ปินเกลียวของธรรมะแล้วสิ่งนั้นก็จะไปลำบากเหมือนกันดฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าทําเป็นโลกบายคุ้มครองโลกสองอย่างนีิความละอายแก่ใจโอตระประความเกรงกลัวต่อบาปถ้ามีทำสองประการนี้ ก็อยู่ได้โลกโลกก็จะดูได้ก็พอมีก็พระมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเท่านั้นประเทศที่สมควรปฏิรูประเทศสมาสะคือประเทศที่สมควรประเทศที่มีพระพุทธศาสนาคือประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาที่นี่ประเทศในทางปรมัตา์ประเทศใจแต่ละท่านแต่ละคนมีธรรมะอยู่แล้วก็เรียกเขาประเทศนั้นเป็นประเทศปรมัตา์ กรรมและผลของกรรมเป็นของสำคัญมากตามเงาจิตเงาใจไปทุกเวลามีมโนกรรมเป็นนายกของกรรมทั้งหลายส่วนกายและวายกาเป็นผู้รับใช้ของใจเหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นำมาโดยรู้ตัวเหตุใจอันใดที่ไม่รู้ตัว ผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยไม่รู้ตัวเหตุใจสงสัยผลของใจก็สงสัยเหตุใจไม่สงสัยผลของใจก็ไม่สงสัยเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุยืนผลก็ยืนเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจ กะผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนจะไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุกรรมพืชเป็นประมาณถ้าเหตุตั้งลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุถ้ามันยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัธถันยุตาเป็นผู้รู้จักผล รู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศตักสมบต์บริวารและความรู้คุณทรรเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนวให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรสีมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาเครื่องหรือยังชีวิตแต่โดยทางที่ชอบกาลัญญูตา เป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรอันประกอบจิตนั่นนั้นปฏิสันยตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่พิจิตต์ประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะ พ, พูดอย่างนี้เป็นต้นภุคกระประโรปรัญยุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควครคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควครคบเป็นต้นธรรม น, นี้เป็นธรรมของพระสวโดาบันเป็นธรรมของสุปัจปนโน สุภจพันโนไม่เสียดายอยากล่วงะเมิดสิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสธาอื่นไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตเป็นแลอะไรสัตว์ที่ตัวข้าวมาเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระสุภิจพัโนไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยเพราะเห็นว่าเป็นทางไม่เจริญ สิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นทางไม่เจริญแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากกระพติมันก็ไม่ลำบาก